แคนี้เพื่อที่จะไปตรวจสอบสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของเราเพราะว่าสเสีะเราอยู่ความจริงแต่เราไม่รู้จักเพราะาเราไปสแสวงหาอีกอย่างหนึงสแสวงหาความอารมณ์ที่น่าพอใจและวก็พยายามหนีแก้ไขบําบัดอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอยู่ตลอดเวลา จิตของเราก็จะวิว่งวนอยู่กับแค่สองอารมณ์พอใจไม่พอใจหาทางหาสิ่งที่พึงพอใจแล้วก็พยายามแก้ไขปรับเอาสิ่งที่ไม่น่าพอใจออกไปกิจกรรมของชีวิตยอย่าหลักๆแค่นี้เขาเรียกว่าตะสงสารเป็นพลวัตที่หมุนอยูต่ตลอดเวลามันเป็นตัวสองอันที่มันกำลังมันพออกันมันก็ให้เกิดการกันเวียงใช่ไหม เคยรู้จักไหวัตถุสองอันไม่เหล็กสองขั้วเมื่อกําลังพอกันมันเกิดกัรหนเดี๋ยวนี้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างใช้กําลังจากไม่เหล็กสองตัวที่มีแรงคล้อกันเกิดการพลวัดหมุนเวียงชั้นใดก็ดีกําลังในจิตที่มันหมุนเวียงให้เกิดว่าต่สอสงสารก็กําลังของอํานาจสองขั้วนี้ ขั้วพอใจและขั้วไม่พอใจถ้าตามภาษาวิสัยขั้วบอกขั้วลบนีก่กติกาโพสติณ์นะเมวียงกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเองเราก็ไม่สามารถจะออกจากวัตโตสงสารได้ถ้าเราอยู่ในแรงเวียงของขั้วความพอใจและไม่พอใจตลอดเวลาทีนี้เมื่อพระุทธเจ้ามาเห็นว่าพระเัษรูมาเห็นว่าอ๋ออันนี้เองที่ทำให้มนุษย สัตว์ทั้งหลายนี่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดด้วยอำนาจของอขัวสองขั้วเองขัวพอใจและไม่พอใจนะทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าเราจะออกจากขั้วนี้ได้อย่างไรออกจากการเวียงตัวของความพอใจไม่พอใจเนี่ยท่านก็มาพิจารณาจนกระทั่งเห็นว่าความที่ไปที่มาของคําว่าพอใจมาจากไหน เพาว่าไม่พอใจมาจากไหนนะจนเห็นต้นกำเนวยสองคววัวนี่เสก่อนแล้วก็ถอนอำนาจของมันะถอนอานาจของมันการที่สิ่งนั้นมันจะมีอำนาจได้มีคุณวินเรียนวิศวะทางนี้มานรู้ไหมว่าอำนาจของแม่เหล็กเนี่ยเหล็กธรรมดานี่ททำให้เป็นแม่เหล็กได้มีวิธีการทำอย่างไร มันผานแบบไหนใช่ไหมเคยมาเคยรู้ทฤษฎีได้ไม้มนั่ น, นีลยทำเลยวิธีการสร้างวิธีการสร้างแม่เหล็กเหล็กธรรมดาเนี่ยไปสร้างใหเป็นแม่เหล็กธรรมดาสร้างเหล็กจะเป็นแม่เหล็กทั้งหลายกลายเป็นลูกหมดเลยแต่ตัวที่สุกสร้างมันกลายเป็นแม่เป็นพลังดึงดูดใช่ไหม ทฤษฎีการสร้างเขาคล่าทํำไงเขาจะเอาวัตถุสิ่งที่เหล็กด้วยนะั่นไปตั้งให้มันหมุนไปทางเดียวไม่ให้มันหมุนกลับให้หมุนไปทางเดียวขอ ง, ของเขาเอาใดเนี่ยมั ห, หมุนเกินแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยไปวางให้มันหมุนไปทางเดียวนะอย่าให้มันไปทางกลับเพราะทางกลับแล้วมันอำ น, นาจขอเหล็กจะขึ้นกำหมดเลย กระปิเล็กธรรมดาแต่พอหมุนบอลมันจะ ด, ดูดเป็นพนลังดูดเข้าไปให้หมุนไปทางเดียวห้ามหมุนกลับสมมติหมุนไปทางนี้ทางเดียวห้ามหมุนกลับแบบนี้แล้วไอ้ตัวที่พลังที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาใช้เวลานา น, นมันก็จะซับเอาตัวความพลังเข้าไปในตัวของมันการหมุนตัวโมเลกุลเรียตัวกันใหม่ใชคะก็นั่นดิเพราะไอ้การหมุนในทางเดียวโมเลกุลถึงก็เรีงเรียงตัวกันใหม่ ด้วยความเร็วสูงก็เกิดการพลังขึ้นมาฉันใดก็ดีจิตของเราเนี่ยที่กำเนิดที่มาของความพอใจและไม่พอใจที่มันมีความดึงดูดสูงเพราะอะไรเพราะว่าเราได้จิตของเราไปหมุนวนในสิ่งนั้นซ้ำซากอยู่ไม่เหล็กเนี่ยมันจะกำหนดเวลาในการหมุน ไม่ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นรอบจะได้ไม่ลงมานะแต่จิตของเราเนี่ยหมุนรอบอยู่ในความรู้สึกพอใจเนี้ยวันนึงกี่รอบนับไม่ได้เป็นแสนๆรอบแล้วมันจะไม่ดูดได้เนี้ยเกิดแรงดึดูดขึ้นมาดะเป็นเป็นขัว้วขั้วบวกอีกอันหนึ่งห้าหมุนไปทางนี้ให้หมุนกลับก็จะเป็นขัว้วลบ มีกําลังอํานัจดีดออกไม่ดูดเข้าดีดออกอันนี้น่ากลัวชักออกอันนี้ร้อนชักออกอันนี้ทําให้เจ็บชักออกมันไม่กำแต่อันหนึ่งมันกําเลยใช่ไหมฉันชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้มันมันดูดเข้าไปสมมติเราไปเจอคนคนคนีคนคน้คนที่เรารักใช่ไหมแล้วก็ดูดเข้าไป คนนี้คนที่เราไม่ชอบเราก็สปริงตัวออกมาอันนี้ก็กฎธรรมดามากๆเลยใช่ไหมอันนี้คือระหว่างวัตถุสองอันนี้ก็เกิดพลังไรงเวียงไปสวนกันเกิดพลังอย่างสูงในกติ positive มาเป็นพลังตรงนั้นดังนั้นเองที่เราสวดมาเมื่อกี้เนี่ยอัาชว่าสุขังเวธนังเวธยะมานูเมื่อเรารู้สึกชอบก็ให้้ชัดๆว่ารู้สึกชอบในวิธีการถอน เพราะ้กายเวทนาเนี่ยให้รู้สึกชัดทุครั้งเวทนางเวทียมิติปัญชานาติทุครั้งเวทนางเวทียามานูทุครั้งเวทนางเวทียมิติปัญชานิติให้รู้ชัดๆไม่ว่าความชอบใจหรือไม่ชอบใจให้รู้อาการของมันชัดๆคำ ว, ว่าชัดไม่ใช่รู้ซื่อๆนะรู้ชัดๆแล้มันเกิดมาจากอะไรนะความพอใจนี่เกิดจากอะไรสมมุติว่าเรานั่งเนี่ยเรารู้สึก เน้อหนักตัวนี่พอใจไหมไม่พอใจใช่ไหมคิดจะทําให้ยังไงให้เกิดความพอใจอเราก็สร้างไอ้ความเอาหนักเนื้อออกไปก็คือความพอใจทีนี้ในการที่เราถ่ายน้ําหนักของควาวไม่ไม่พอใจออกไปแล้วกลับมาสู่ความพอใจนี่ขณะที่เราถ่ายออกไปเนี่ยเรารู้ คนทั่วไปรู้สึกตัวไหมว่าได้ถ่ายน้ำหนักตัวนี้ออกไปแล้วมีเจตนาที่จะอ อ, ออกจากตัวนี้ไหมไม่มีแต่รู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะฉันก็หนีอ่ะเนี้ยใช่ไหมก็พลิกไปเลยแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะพลิกอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ดูว่าไอ้ตัวหนักเกิดขึ้นอย่างไรเวลาพลิกไปแล้วตัวสบายเกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่ได้ตามดูอีกเพียงแต่พลิกให้มันพนุพนพ้นคือแรงเวียงหนี ทําทด้วยความเผยชืนตัวนั้นกลายเป็นตัวที่สามคือตัวโมหะตัวแรกมันมีแค่สองตัวใช่ไหมแต่ด้วยความทําด้วยความไม่รู้มันกลายเป็นตัวที่สามคือตัวโมหะนั่นตัวที่สามทีเ่เกิดเรื่อเจ้าอาทุกข์สุขเวรานาเพราะฉะนั้นในหลักการอันนี้นก็โอ้พระพุทธเจ้าทําไมมานั่งคิดคดองไว คิดค้นเรื่องนี้ออกมาได้ก่อนหน้าไม่มีใครคิดเรื่องนี้นะมีแต่จะทําตามความพอใจอย่างพวกพราหมณ์ทั้งหลายนักบวทั้งหลายสมัยก็คือพยายามบําเพ็ญตบะต่างๆเพื่อให้ได้ดังใจให้ได้พอใจได้ริได้ๆิบแม้จเองทุกข์ก็ตามแต่ขอให้ได้ดังใจอย่างเราจะทํางานหามรุ่งาำค่ำทุกข์ก็ยอมแต่ขอให้ได้ดังใจอะไรที่จะทําให้เราได้ดังใจได้คือได้ทรัพย์มา มีทรัพย์อย่างาได้ทุกอย่างต้องการต้องการอะไรก็ได้หมดใช่ไหมจะยากขนาดไหนก็ลงทุนจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะตายจะหนาวก็ชังมันแต่ขอให้ได้ทรัพย์ตัวนี้ขึ้นมาเพราะทรัพย์เป็นทรัพย์แปลว่าเป็นวัตถุที่ทําให้เกิดความพอใจรปลว่าทรัพย์มิตรตังมิตรจามีตัตตอันนั้นเองตัวนี้เราจะถอนอย่างไรเนี่ยตรงนี้เองพุทธเจ้าจึงค้นพบโดยการใช้หลัก ถอนอถอนอำนาจอันนั้นโดยที่เปลี่ยนจากการหนีศูนโดยการเข้าหาและโดยการผลักออกแต่พอวิธีการเปลี่ยนคือไ ม, ไม่ดึงดูดไม่เข้าหาอำนาจของดึงดูดนั้นและก็ไม่หนีในเมื่อเกิดความไม่ชอบแล้วก็ดูอาการนี้เฉยๆสมมุติว่าเราหนักนั่งเนี่ยหนัก แค่หนักขาเราไม่ชอบใช่ไหมแต่เราไม่ได้หนีทันทีเราดูอาการหนักนั้นก่อน <c oughs> ดูอาการหนักนั่นก่อนว่ามันมันเกิดขึ้นอย่างไรตามดูไปเรื่อยๆลักษณะที่การตามดูการเกิดขึ้นของความทุกขเวทนาเนี่ยจนกระทั่งร่างกายนี้ทนไม่ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าจะเอาหนักนี่ออกไปได้อย่างไรรู้ลงไปอีก น, นะ จะเาได้ในขณะที่เอาหนักออกเนี่ยเบาก็จะเกิดขึ้นตามทันทีเลยไม่ใช่ว่าหนักต้องหายไปก่อนนะเราจะเบาจะเกิดนะไม่ใช่เ <c oughs> บาก็จะเกิดขึ้นทันทีที่หนักหายไปเหมือนกับเราเปิดแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็จะหายไปและในเมื่อแสงสว่างดับไปความมืดก็จะเข้ามา เขามาแทนที่ดังนั้นหลักเขามันก็คือเอาตัวอะไรเข้าไปแทนที่เอาตัวรู้เข้าไปแทนที่ตัวไม่รู้ที่เรียกว่าความเคยชินเท่านั้นเองคือแทนค่าตรงนั้นเสียเรียงโมเลกุลมันใหม่เรียงโมเลกุลชอบและไม่ชอบเนี่ยให้เป็นตัวของความรู้เฉยๆรู้ซื้อ ๆ, อๆเข้าไปเรียงตัวใหม่ พอรู้ตัวตัวรู้ซื่อๆเฉยๆแต่เพราะว่าอันนี้ถูกเรียงตัวเข้าไปปั๊บนี่มันทําให้อํานาจของการแรงผลักและแรงดูดเป็นศูนย์หมดสภาพพี่จะดึงอันนี้คือหลักเดียวกันเลยมาเห็นความอาศัศจรรย์เขามาคงจะโอ้เป็นอย่างนี้เองแต่คนทั้งหลายรู้เนาะคาสอนว้จะเป็นอศัศจรรย์แต่ไม่รู้ว่าอัศจรรย์อะไรอย่างไรไม่รู้แต่รู้อัศจรรย์แต่ไม่รู้ว่าอาจา ร, รย์พูดด้อะไร แต่เรล้นอาอัศจรรย์เพราะอันนี้เองคือมารู้วิธีออกจากอําอำนาจของการดึงดูดและอำนาจของการผลักก็โดยการเปลี่ยนค่าเปลี่ยนไหวไหมในวินอันนี้เปลี่ยนได้เท่าไหร่ร้อยครั้งเปลี่ยนเอาตัวรู้ไปแทนตัวไม่รู้ได้เท่าไหร่ร้อยตัวเปลี่ยนได้กี่ตัวนี้เก่าหัวยิกเลยปูเปลี่ยนได้กี่ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ความคิดเนี่ยนับได้เท่าไหร่ที่หลวงพอให้ไป น, นับความคิดใหวันนี้อืมโอ้ไม่แล้วถ้าเธอนับตั้งวัน็นร้อยคิดเป็นทีและชั่วโมงอะ่ะชั่วโมงละกี่เรื่องอยี่สิบแล้ววันนี้กี่ชั่วโมงทํามาเนี่ยห้าชั่วโมงโมงละยี่สิบไม่ใช่แล้วมาทําไมมาลงอัตราส่วน แต่อย่างขนันเลยไม่ใช่แต่อย่างขนันเลยเฉลี่ยตอนแรกๆอืมอืมอ๋อนั่นหมายความว่าพอมีเวทนาทางกายเยอะขึ้นเราไม่สามารถจำกัดมันอยู่แค่กายมันเริ่มเข้าสู่ใจใช่ไมเพราะเข้าสู่ใจแล้วความคิดก็ตามมา นั่นไงหลงพ่อบอกแล้วว่าการที่เราสร้างตัวรู้เนี่ยเพื่อจํากัดทุกขเวทนาอยู่ในขอบเขตของกายแต่ถ้าเราไม่มีตัวรู้เข้าไปสกัดกัน้นเป็นฉนวนเนี่ยตัวกําลังของทุกเคยทนาเหมือนน้าร้อนเนี่ยที่มันติดอิเทกายมันจะผ่านฉนวนนั่นไปบ า, บางๆไปสู่นั่นน่ะเหมือนเอาน้ําใส่น้ําร้อนใส่ขวดใช่ไหมไปจับปั๊บ้าไปยังไง รู้เลยร้อนเลยแต่ถ้าเอาน้ําร้อนใส่กะทิน้าร้อนไปจาะปั๊บไม่ร้อนนะใช่ไหมเพราะว่าชนวนมันหนากว่านะฉะนั้นอันนี้หลักการเดียวกันไม่ยากเลยแต่ว่าในภาคปฏิบัติมันทําไมมันช่างยากเย็นอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายเพราะเขาพัฒนามนุษย์เพื่อให้มาทํางานตัวนี้ให้มาพร้อมหมดเลย สติปัญญามันสมองระบบประสาทความซับซ้อนของเซลล์สมองต่างๆเพื่อให้เรามาคิดออกจากเรื่องนี้และส่วนใหญ่เอาไปคิดเรื่องอะไรคิดเพื่อจะสั่งสม <laughs> สั่งสมความพอใจเราเพื่อจะหนีความพอใจในสิ่งที่ไม่ถูกใจให้ไกลที่สุดเท่าที่ใจะไกลได้ฉันจะเรียนให้สูงที่สุดเพื่อจะหนีความทุกข์ยากยุกยยากล า, าบากไม่มีเงินไม่มีทองใจก็หนีไม่พ้นอ่ น, นะ เพราะฉะนั้นเองตัวนี้เราก็ยังดิน้นรนเพื่อจะหนีศูนย์ตัวความไม่พอใจและดิน้นรนเพื่อจ ะ, จะหาแรงที่เราพอใจเข้ามาไว้ก็ยิ่งเราไมยิ่งทุกข์ใช่ไหมนั้นตลอชีวิตเราจึงไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยนั้นมีทางเดียวเราก็จะต้องหยุดการแสวงหาแบบนั้นกลับมาเปลี่ยนเปลี่ยนค่าของตัวชอบแร้วไม่ชอบเสื้อใหม่เพราะมันไม่ได้ติดตามเราแค่าชาตินี้นะอสองดวเนี่ยพอตายไปเพราะไอ้สองดวงก็จะติดจิตวิญญาณก็เราไปเกิดอีก ไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยๆนันออกร่างนี้ไปมันก็ไปสร้างร่างใหม่บทร่างนั่นก็ไปสร้างร่างใหม่ร่างใหม่ถ้าถ้าทำลายอํานาจสองตัวนี้ยังไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นเราโชคดีที่ว่าเรามารู้เรื่องนี้ซะก่อนอย่างน้อยที่สุดนะถ้าอํานาจสองตัวนี้ยังมีแรงเหวี่ยงสูงอยู่เนี่ยมันก็จะไปเกิดที่เรียกว่าไปได้ไกลมาก แต่ถ้าอำนาจสองตัวนี้ถ้าชาตินี้เรามีโอกามสมาศึกษานี่ทําให้อำนาจสองตัวนี้มีแรงแรงเหวี่ยงต่ําลงมันจะหมุนไปได้ไม่ไกลแล้วมันได้เกิดใหม่เพราะฉะนั้นพระโสดาบันทว่าเจดชาติบ้างสามชาติบ้างสองชาติบ้างได้เกิดใหม่แล้วใช่ไหมนับได้แหลพะพัศจิกานันทคามีได้เกิดอีกครั้งหนึ่ง ตายมัได้เกิดอีกครั้นเพราะพึ่งไปไม่ไกลได้เกิดอีกแล้วอ่าพระอนาคามีพอปพั๊บท่านได้ไม่ต้องเกิดอีกเลยหมายความว่ามันแรงเหวี่ยงมันต่ํามากไม่ต้องไปข้ามภพข้ามชาติไปเลยอันนี้คือหลักวิยทยาศาสตร์แท้ๆเลยใช่ไนั่นหลวพอหูวเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแลงน่าทํามากเลยแต่ทําไมคนจึงไม่สนใจเพราะเขาไม่รู้ความจริงข้อ น, นี้ว่าทําไปเพื่ออะไร ทำไปเพื่อลดแรงเหวี่ยงของความพอใจเม้แต่ความสุขความทุกข์อย่างมากเลยไม่ให้มีอํานาจมันพอมันสูงมันเหวี่ยงไปไกลเหวี่ยงไปไกลไม่รู้หลังจากชาตินี้ไม่รู้กี่พุกี่ชาติจะมาเกิดใหม่มันไปไกลตกไกลมากเลยแต่ถ้าเราได้ภาวนาในชาตินี้เต็มที่นะมันมันไปเกิดไม่ไกลเดี๋ยวมันกำจะเกิดใหม่เดี๋ยวได้สร้างให้มันจุบไปๆมันจะได้มันกบมาเกิดอีกเพราะมันทุกข์มากๆแบบนันดังนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะ พิจณาให้ดีแล้วพยายามแทนค่าให้มากอย่างสมมติเธอง่วงเนี่ยคือเอาอะไรมาแทนค่ามันเพิงจะไม่ให้มันมง่วมเออเอาอะไรมาแทนทำไมเพ้่งจะฟั ง, ง, เ, ฟงเดี๋ยวก็พับกันได้อเอาตัวง่วงเอาตัวไม่ง่วงมาแทนค่ามีมั้มตัวไม่ง่วงมีั้ม ม, มีแต่ว่าเรืองหาให้เจอตัวง่วงเกิดจากอะไร แล้วก็หาหรือตัวเบื่อเอาอะไรมาแทนค่ามันมีตัวไม่เบื่ออยู่ใช่ไหมแต่วิธีใดทำให้ไม่เบื่อทำอย่างไรนี่ต้องใช้สติปัญญาหาให้เจอสติปัญญาสูงสุดเลยที่จะใช้ได้ในตัวง่วงมีตัวไม่ง่วงอยู่แต่คุณต้องใช้สติปัญญาหาให้เจอแล้วกันจะหาวิธีใดก็ได้ที่มันจะมันจะไม่ง่วงได้หาให้เจอนั่นคือการสร้างสติปัญญา อย่างสูงทีเดียวแต่ขอหาไม่เจอหรือว่าคุณฟุง้งซ่านตัวไม่ฟุ้งซ่านก็อยู่นั่นนะใช่แต่คุณหามันให้เจอแล้วกันยังไงก็ได้นี่คือการแทนค่ามันมีตัวตรงข้ามที่พุทธิารเมื่อมีมืดต้องมีอะไรสว่างแก่เมื่อมีร้อนต้องมีเย็นแก่เมื่อมีเกิดต้องมี ไม่เกิดมาแก้เมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์แก้แต่เราต้องหาให้เจอแต่ถ้าเราหาไมา่เจอเราไปโทษว่าโอ้คำสอนผู้เที่ยวนี่ ย, ยากได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีอยู่อ่ะมันมีมันมีอยู่ในในน้ำขุนเนี่ยมีน้ำใสยอยู่ใช่ไหมมีน้ำที่ไม่ขุนอ่ะมีอยู่แต่คุณจะเอาน้ำที่ไม่ขุนออกมาจากน้ำขุนได้ยังไงคุณต้องใช้กระบวนการ คุณจะบอกโอ้ยากไม่ทำานี่คุณก็ต้องคุนด้วยไปนะะนั้นก็อันนี้คือคอนเซปต์หลักนะแต่ในภาคปฏิบัตินะในภาคปฏิบัติก็ขอให้แทนค่าของตัวเวทนาหนักเอาตัวไม่หนักเข้าไปแทนทำงไงให้มันหนักก็ให้ทำนะฮะแล้วก็เวทนาที่มันเบาต้องจะเป็นต้องแทนค่าไหม อะหนักนี่ต้องการแทนข่าวออกแต่ไม่ใช่เบาไปแทนนะแต่เอาไม่หนักไปแทนคำว่าไม่หนักกับบานี่อันเดียวก็คือคนลอันเออปู่าไม่หนักกับเบาเนี่ยอันเดียวกันหรือคนลอันคำว่าเบาเนี่ยมันมีหนักอยู่ด้วยแต่มันหนักน้อย แต่คำว่าไม่หนักเนี่ยมันไม่มีหนักอยู่เลยแต่คำว่าเบาเนี่ยมีหนักอยู่แต่มันหนักน้อยเราเรียกว่าเบาต่างกันไหมคำว่าสุขกับทุกเป็นสิ่งเดียวกันแต่ที่เรียกว่าทุกที่เรียกว่าสุขเพราะว่ามันทุกน้อยลงพอทนได้แต่คำว่าไม่ทุกหรือไหมเพราะว่าสุขก็ไม่มีเพราะมันไม่มีเบาไม่มีทุกอยู่ไหนนั้นสุขก็คือทุกน้อยทุกก็คือ สุกน้อยแต่ถ้าหากว่าไม่ทุกเนี่ยมันไม่มีทั้งทุกทั้งสุขอยู่ในนั้นแต่มันมีไม่ทุกฟังยากไหมฟังยากฟังไม่ทันนะนั่นเรื่อที่เราทาเนี่ยทำเพื่อความไม่ทุกความเพื่อความหาไม่ความไม่ทุกหาความไม่ร้อนหาความไม่เกิดหาความไม่แก่หาความไม่เจียหายความไม่ตายหาให้เจอก็ ทำตัวกันข้ามสมมุติว่ามันหลับก็หาตัวตื่นให้เจอเท่านั้นเองเวลามันคิดก็หาตัวไม่คิดให้เจอเวลามันง่วงก็หาตัวไม่ง่วงให้เจอเวลามันอเบื่อก็หาตัวไม่เบื่อให้เจอหาอยัางไงก็ได้เราหาเจอแล้วกันแต่ในกรณีที่เราไม่หาเรียกว่าอะไรเรียกเราขี้เกียจถึงแม้ทําความเพียรอยู่ก็ตามก็ถือว่าขี้เกียจเพราะเราไม่หาสิ่งที่ต้องการให้ได้ในขนา น, นั้น เป็นเรื่องตลกนะดังนั้นชาวพูทไทยของเราค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะไม่เรียนรู้ไม่สู้สิ่งยากสิ่งไหนยากๆ ก, ก็ไม่อยากเรียนแต่ไม่ไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่สู้สิ่งยากก็เลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นพูดแบบของเราพูดแบบไทยๆ เ, เราพูดแบบไท ย, ไทยนะ น, นั้นขอให้เราได้มี พยายามความพยายา ม, นะา ม, ยายามตลอดเวลานั้นไม่ใช่พยายามตอนที่จะมาปฏิบัติเท่านั้นพยายามกินอย่างไรใ ห, ให้มันมีความไม่ทุกพยายามนอนอย่างไรที่จะไม่ทุกพยายามตื่นอย่างไรที่ไม่ทุกพยายามที่จะทํางานอย่างไรที่จะไม่ทุกนพยายามได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันทุกหมายความว่าเราไม่ทําใช่ไหมคือไม่ทําในส่วนที่มันทุกแต่เราทําส่วนที่มันจะไม่ทุกแต่การกระทำมีอยู่เหมือนเดิม เรายังทํางานอยู่แต่ทําด้วยความไม่ทุกทําได้ไหมได้แต่อย่าทําด้วยความทุกอันนั้นถือว่าถูกต้องแล้วแต่เมื่อความว่าโอ้ผมกลัวทุกผมไม่ทําอะไรทํามันก็เป็นทุกนั่นแสดงคุณทําเป็นไหมคุณทําไม่เป็นถ้าคุณทําเป็นมันจะไม่ทุกแต่คุณทำไม่เป็นมาถึงเป็นทุกนั่นก็คนปฏิบัติภาวนาขี้เกียจหมดนี่ใช่ไหมอ่าและส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นภาวนาขี้เกียจนะ คุณพระิทออกไปเดินข้างนอกแสดงไมนะ่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเราเราสวนเมื่อกี้ว่าเวทนาความรู้สึกมีกี่แบบวินจำได้ไหม ค, ความรู้สึกที่เราส่วนเมื่อกี้มีกี่แบบความรู้สึกความรู้สึกที่มีแกร่รู้สึกสุขรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกทั้งสบายและไม่สบายขั้นรู้ทุกขขัมาสุขมีอยู่ใช่ไหม อันที่หนึ่งที่สองเนี่ยเราไม่สงสัยคาว่าสุขเข้าใจได้คำว่ า, าทุกข์เข้าใจได้อันตัวที่สามที่เรไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอาการแบบไหนคุณบุญทาอาการที่เรไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอาการแบบไห น, นพอจะแสดงให้เห็นได้ไหมพอจะสาธิตให้เห็นได้ไหมอาการเป็นแบบไห น, น ยมวนาอันนั้นอันนั้นเป็นความคิดอ่ะแต่ของจริงขนาดนี้ยมจะทำให้เห็นทันทีได้ไหมยมันเป็นยง ไ, อไเอาเดี๋ยวมาถามก่อนขณะยมนั่งขณะ น, นี้น้องรู้รสึกยังไงรู้สึกสบายหรือไม่สบาย ไม่หนักเลยไม่ปวดเลยแล้วก็มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ขนาดนี้อ่านั่นแหละทุกเข้ามาสุขไะเออนั่นแหละเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์กันแหละเฉยเฉยใช่รู้ไหมว่าเฉยเฉยเป็นยังไงรู้เฉยเฉยหรือว่าปล่อยมัน เฉยๆนี่ยรู้อยู่ใช่ไหมอาการเป็นยังไงอธิบายได้ไห ม, มไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวไม่มีเวทนาเวทนามีแต่ไม่เวทนาที่มันเป็นกลางกลางกิสุขก็มีอยู่ทุกก็มีอยู่แต่มันมันบางจนบัญญัติไม่ได้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่ไหมเขาเรียกว่ามันไม่ต้องทนสุขแปลว่าทนได้ง่ายทุกข์แปลว่าทนได้ยากอทุกขก็มาสุขแปลว่าไม่ต้องทนทั้งสุขทั้งทุกข์ แต่ให้เรารู้ด้วยนะว่าเราไม่ต้องทนตรงนั้นเ็าเรียกว่าเป็นปัญญาแต่ถ้าเรามีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์แต่เราไม่รู้ว่ามันไม่มีทั้งสองอย่างตัวนั้นเป็นโมหะเขาเรีย ok กอทุกขโมหสุขเป็นได้ทั้งปัญญาและเป็นได้โมหะรู้ปรกรณสัาคัญว่าเรารู้ชัดไหมว่าเราไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ให้รู้ชัด ๆ, ๆอีกทนีน่ตัวนั้นเป็นปัญญาแต่ถ้าเราไม่ไปใส่ใจกับมัน ไม่ไปใส่ใจอาการมันก็กลายเป็นความหลงใช่ไหมไม่รู้อาการว อ, อันนี้คือไม่สมบูรณ์ทุกเป็นอย่างนี้ให้รู้ชัดๆมันมันก็จะเกับกลายเป็นปัญญาทันทีเลยส่วนใหญ่คนทุกคนมีนะอาการนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันกลายเป็นโมห oh ะเพราะเราไม่ไปรู้ชัดให้รู้ชัดๆว่ามันมีอยู่ความจริงมันไม่ยากนะแต่เราลืมใส่ใจ ไม่ดูความหมายาหมายวุ่ขทุกข์น่ค่ะกว่าเราอยู่ทนั่งนไม่ไม่ไม่ดดว่าเราุขแต่คนจริงมันมีทั้งสองอย่างสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่การที่เราไม่ต้องทนนั้นเลยก็แล้วทุกข์เขาไม่สุขแต่ถ้าหากว่าเราทนไม่ค่อยได้เป็นทุกข์ใช่ไหมแเราทนได้แต่สบายๆทนได้สบายเป็นสุข แต่ถ้าสองอย่างมีเท่าเท่ากันไม่ต้องทนว่าทุกขก็มีสุขให้รู้ให้ชัดชัดถ้ารู้ชัดชัดทั้งสามอย่างกลายเป็นปรรัญญาสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้ชัดชัดเป็นปัญญาทั้งสามด้านเลยแต่ถ้าสมมุติว่าสุขก็ไม่รู้ว่าสุขทุกข์ก็ไม่รู้ว่าทุกข์ทั้งสองอย่างไม่มีก็ไม่รู้อีกก็เป็นโมหะเป็นอวิชชา ถ้าได้คนส่วนใหญ่เขาก็จะต้องเป็นแบบนะั้นสุขฉันก็ไม่รู้ทุกแต่ฉันจะเอาสู่ทันจะหนีทุกแล้วทั้งสู่ทั้งชุกฉันก็สนอเพลินไปเลยนะเพลินให้ในคนที่ไม่สุขไม่ทุกมันก็เลยกลายเป็นโมหะตลอดเวลาเราจึงรวมเรียกว่าสัญชตาตญาณความเคยชินนะอันนี้ที่มาของทุกดังนั้นไอการที่จะทําตัวนี้เป็นสู่ได้ต้องเกิดปัญญาโดยสถานเดียวเราจึงบําเพ็ญตัวปัญญาก็พอ เพื่อนที่เขาไปแทนค่าถ้าไม่ไม่ใช่ปัญญาแล้วเนี่ยจะถอนค่าตัวดึงดูดทั้งสองข้างยังไม่ได้เลยนะอันนี้คือหลักที่เราจึงมาสร้างตัวปัญญาเพราะนั้นปัญญาเป็นเหตุหรือเป็นผลคุณยกปัญญาเป็นเหตุหรือเป็นผล อ, อะไรเป็นเหตุของปัญญา เมื่อปัญญาเป็นผลแล้วอะไรเป็นเหตุของมันในวินอะไรเป็นเหตุที่เกิดปัญญาความรู้ความรู้วินบอกว่าความรู้ <laughs> ความรู้สึกตัวเป็นเหตุให้เกิดปัญญาชัดเลยนี่กิงเลยแล้วความรู้สึกความรู้ความรู้ทาให้เกิดปัญญาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่ความรู้ถ้าผู้เป็นกลางๆเนี้ยเราไม่รู้แบบไหนรู้ข้างนอกข้างในรู้แบบสมมติรู้ปรมัิแต่รู้ที่ให้เกิดปัญญาที่เป็นปัญญาดับทุกได้ต้องเป็นตัวรู้ที่เป็นสติประธานเติมไปด้วยคือสติในรู้ในสี่สถาน รู้ในเรื่องของกายรู้ในเรื่องของเวทนารู้ในเรื่องของจิตรู้ในเรื่องของอารมณ์อันนี้ต้องรู้อัน4ี่อย่างนี้แต่ถ้าไปรู้เรื่องนิติศาสตร์ประัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์นี้ไม่ถือว่าเป็นคนรู้ที่ทําให้เกิดปัญญาแบบนี้ให้เกิดปัญญาอีกแบบปัญญานอกตัวนะรู้ศาสตร์ต่างๆภายนอกนี่นะวิทยาศาสตร์พวกนี้เป็นความรู้เหมือนกันแต่ว่าความรู้เช่นนั้นนั้นก่อให้เกิดโลกิยะปัญญาแต่รู้ในสี่สถานนี้ ทั้งสี่ศาสตร์นี้ก็ให้เกิดโลกุตรปัญญาโลกุตราปัญญาที่จะเป็นตัวเข้าไปถอนความพอใจไม่พอใจได้แต่ถ้ารู้แล้วเป็นโลกีปัญญามันไปนเสริมความพอใจและไม่พอใจให้มากขึ้นนี่ตรงกันข้ามเลยนะเพราะนัะ้นพวกเศรษฐีก็คือเขาพ่อคูนความรู้ที่จะสร้างตัวความพอใจให้สูงขึ้นด้วยกันหาทรั์ให้มากหายสมบัติให้มากเท่นั้นเพพอคูนความพอใจให้สูงขึ้น นั้นเรียกว่าโลกียปัญญามีแต่หมุนไปหาความทุกข์เรื่อยไปความทุกข์เรืปัญหาแต่พระพุทธเจ้าท่านรวยจนไม่รู้จะรวยเท่าไหร่ใช่ไหมท่านบอกเออนี่เป็นกองทุกขา น, นั้นเลยโดยมีแผ่นดินมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานคุ้มเงินอา่าลุ้เงินลุ้มคาลุ้มของอะไรจั่งมากมายท่านบอกเออนี่เป็นเหตุให้เกิดตัวทุกข์ต่อไปท่านเลยทิ้งบน<ม>เล็บบีฮายท่านก็ออกไปอยู่ป่าแสวงหาตัวปัญญาที่ จะออกจากทุกข์คอสัสดิ์ตัวรู้สึกในการในเวทนาในจิตในอารมณ์อย่างที่เราทํานี่แหละแล้วก็ทําจริงจังนะไม่ทําหยุดบ้างเล่นบางอย่างแบบเรานะทําจริงจังทําให้ชัดเลยก็ฟังกลุ่นว่าท่านก็เลยเอาความรู้มาสอนเราไงเราก็มาทํากันเล่นบ้างจริงบางก็เลยทําให้รู้งช้างไงแต่ถ้าเราทํากันจริงจริงจังก็อาจารย์ดูไวตรงนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาบดแบบหลวงพ่อแล้วนะ ก็อยู่แบบเป็นโยมนั่นแหละก็รู้ได้ดีรู้ได้อาจจะรู้ได้ไวกว่าพระโดยซ้ําไปเพราะมันทุกข์มากเมื่อทุกข์มากมือ้็ต้องขอนควายหาวิธีการที่จะออกจากมั น, นง่ายขึ้นนะดังนั้นโชคดีแล้วที่เรามีลูกมีหลานมาศึกษาตั้งแต่อายุนน้อยนี่นะถ้าหากว่าเขาขอนควายทําไปเรื่อยๆเขาอีกสักเมื่อเขาอายุเท่าโยมเขาก็จะไปไกลกว่าโยมใช่ไหมเดี๋ยวนี้สมมุติว่าท่านอายี่สิบป่าอีกสักห้าสิบ มันแม่เหล่านี้ยนะเราไปไกลแล้วใช่ไหยเราอาจเราหวังว่าก็ไม่ต้องหวังแน่นอนเลยทําไม่ถูกแต่ว่าหนึ่งคุณมลก็ต้องเอาลูกสาวเข้ามาศึกษาตรนี้เหม่นต์ใแต่ว่าเราก็ได้เขาครึ่งเดียวในครึ่งเดียวก็เป็นของพ่อเขาอนะจิตวิญญาณแต่คิดว่าถ้าเราเพิ่มวิญญาณตรงนี้ให้เขาเยอะๆก็อาจจะดึงเข้ามาศึกษาตรงนี้ต่อได้เลยแต่คนตะวันตกนี่ มีข้ออ่อนด้อยอย่างคือเป็นคนเซนซิทีฟคือเป็นคนไวต่อการตัดสินคือวางจิตเป็นกลางยากเพราะแรงเหวี่ยงเขาเป็นสูงกว่าเราแต่ของเรานี่อยู่วัฒนธรรมพุทธมาเป็นพันๆปีเนี่ยเพราะนั้นแรงเหวี่ยงมันก็จะมีตัวชะลอดได้พล้วเราอยู่วัฒนธรรมของไตรักมานานแล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางได้ง่ายแต่ชาวตะวันตกนี่ยากเะ อันนี้สี่โชคนี้ของเรานะในแง่ของเป็นชาวผู้ที่แท้ได้ดังนั้นในความรู้สึกสามแบบเนี่ยหนึ่งความพอใจสองความไม่พอใจสามความเฉยเฉยหนึ่งความสุขสองความทุกข์สามความไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะว่าไม่ทุกข์ไม่สุขคือไม่รู้จักว่ามันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์นะใช่แต่ถ้าสมมุติว่ามีปัญญารู้ว่าสภาวะไม่ไม่สุขไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอย่างนี้นะ เรากระโดดข้ามเป็นเหนือสุขเหนือทุกข์เลยบรรลุทําได้ง่ายๆเลยในถ้ารู้จักโลไอตัวอทุกขก็ามาสุขจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นโลกุตร ะ, ะปัญญาได้เลยเราก็เห็นอยู่ทุกวันนะแต่ทําไมเรามันมันเป็นนิสัยของจิตจิตยังถือเป็นนิสัยไม่ได้มันยัง ก, กระโดดกลับไปหายสุ ข, ขทุกข์อีกทั้งที่เราเห็นทั้งไว้สุขไวทุกข์อยู่ทุกวันแต่แตจิตทำไมกับเห็นอยู่ทุกวันแต่เราเอาเป็นเป็นทางใจไม่ได้ ที่มันยากเดินนั้นแหะใช่ไหมอ่าไม่เคยเห็ น, นเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่พอไงก็ต้องมาเพิ่มเพิ่มตัวสติปัญญามากขึ้นแต่สติปัญญาชนิดที่ต้องเป็นโลกุตระสติโลกุตระปัญญานะไม่ใช่เป็นโลกียะทีนี้เราก็เผลอเป็นโลกียะบ้างในะบางครั้งเผลอโลกียะตอนไหนตอนที่มันคิดเอาตอนคิดนี้เป็นโลกียะปัญญานะแต่โ ล, โลกุตระปัญญาเนะี่ยรู้เอา คือถามันก่อนวนะ่าความรู้กับความคิดต่างกันอย่างไรใช่ไหมความรู้คือปัญญาถ้าจะว่าไมปัญญาคือความคิดต่างกันอย่างไรถ้าเราคิดอย่างมีสติมันกลายเป็นปัญญาถ้าเราคิดอย่างขาดสติมันกลายเป็นกิเลสกลายเป็นตัวคิดความคิดเหมือนกันนะเหมือนกับเราไปกดสวิต บาทีกดซืป๊บช็อตปุ๊บเลยใช่ไหมแต่กดถ้าหาระบบถูกต้องพอกดซื้อป๊บสว่างว้าปเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันผิดระบบกดซื้อป๊บดับไฟไฟดับหมดเลยช็อตนั้นระบบมันผิดอ่าชั้นใดก็ดีตัวไอ้รู้สึกทั้งสองด้านเนี่ยมันมาจากเดียวกันแล้วแต่ว่าเราจะสับสวิตถูกรือผิด ถ้าสับสวิตถูกเป็นแสงสว่างถ้าสับสวิตผิดเป็นความมืดเป็นกิเลสดังนั้นคือจะมีการเตรียมตัวรู้สึบตัวนี้เป็นฐานเอาไว้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงของปัญญาเพราะนั้นต้องทำให้เยอะๆเลยเพราะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่งสร้างตรงนี้เท่านั้นนะนะ เวลาจะหลับจะนอนจะกินจะอาบจะสงจะเดินจะเหินจะซักจะรีดจะอะไรก็ตามจะดื่มให้รู้ตัวได้ตลอดอย่างน้อย30มสิบเจวลานําไปใช้หมายว mm ่ hmm. าคุณจะต้องการวัตถุสิ่งนี้เหรอคุณให้รู้รู้สึกที่มือในเจ็สรซรู้ที่ผ้าในแค่สาเนต์นแต่แล้วเราจะบาลานซ์ยังไงว่าอันนี้คือสามสิบอันนี้คือเจสิบเราจะแบ่งได้ยังไง อันนี้คือความยากของมันแล้วแบ่งน้ําหนักเป็นแม้่าความรู้สึกที่ชั้นที่มือในเจ็ดสิบนะมี่ฉัจํานี้แค่เป็นทางผ่านแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนี่ต้องฝึกตัวนี้บ่อยๆพอคว้าสิ่งนี้มาปั๊บเนี่ยใจอยู่ที่มือหรือใจอยู่ที่หนังสือกี่เปอร์เซ็นต์อ่าแค่เจ็ดสิบโอเคแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่หนังสือไปนไง สวิตกับ 70% อรใช่ไหมไอทีมือนี้แค่บางทีอันนี้แค่10ซมัน90้0บสิบมันใช่สามสแล้วอันนี้คือมันยากตรงนี้เองเพราะนั้นต้องทดสอบบ่อยๆทดสอบบ่อยๆแล้วมันจะเกิดการดูชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างในร้อยตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นในกิจวัตรปีละร้อยอย่างก็พยายามทําแบบนี้ว่าทําชํานาญทําทุกวันทุกวันไม่ต้องชํานาญเนะี่ยอย่าแม่ค้ากับข้าวเนี่ย ที่เรียกว่าไม่คขัวหัป่านี่ยเขาปรุงอาหารได้อร่อยแล้วก็อินกิเดียนหรือวัตถุดิพี่ใส่เนะี่ยเขาไม่เคยต้วงเคยวัดเลยนะว่าอันเรื่องใส่เท่านี้น้ำใส่นี้ใช่ไหมเขาหยิบน้ำใส่นี้ก็อร่อยแต่เรานี่วัดแล้ววัดอีกต้วงแล้วตัว อ, อีกไม่รัวใหมนะ่ก็ยังไม่อร่อยอยู่ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่อหมนั่นแหละเนขาเรียกว่าให้ทําบ่อยๆนี่คือความชํานาญมันจะเกิดการบาลานซ์ที่เหมาะเพราะฉะนั้นคึงอาศัยการทำบ่อยๆ ให้เกิดความชานาญนะเนั้นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพราะเขามีความชานาญใช่ไหมจับนู่นนี่แต่ไม่แต่นักธุรกิจมือใหม่ที่ทําตามสูตรเป๊้เลยนะแต่มันก็ยังใช่ไหมก็ยังไม่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีทาตามสูตรทุกอย่างแต่ว่าคนรุ่นเก่าเขาจับนู่นใส่นี่โดยที่ไม่ต้องไปอะไรมากก็ออกมาเป็นเงินเป็นทองอะไรใช่ไหมเพราะอะไรเขาเขารู้ นั้ความชำนาญเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจับธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยต้องจับแบบต่อยอดอย่าไปจับแบบเริ่มต้นจับแบบเริ่มต้นคุณไม่ทนันเขาหรอกอย่างต้นมะม่วงเน่ยใช่ไหมคุณก็ไปปลูกมะม่วงอะไรก็ได้ถึงเวลาคุณก็จับมะม่วงพันไปต่อยอดเคุณไม่ต้องมาตั้งต้นพันตั้งแต่ต้นมันใช่ไหมอย่างธุรกิจของคุณพ่อของคุณวินเนีย่ยใช่ไหมถ้าคุณวินฉลาด น, นีคุณวินก็ต่อยอดจากพ่อเลย คุณไม่ต้องจำเป็นต้องธุรกิจใหม่ของคุณไหมเอ่อเป็ <c ười> สบายทั้งเยอะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า น, นั้นถ้าหาว่าเราคิดแบบสมัยใหม่ต้องใช้ธุรกิจแบบต่อยอดอย่าไปธุรกิจแบบจ้งต้นไม่ทันเขาหรอกเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มมาทั้งที่ไหนแล้วเราเไปเริ่มต้นใหม่ทิ้งห่างกันแต่นี่พ่อเราปลูกต้นไว้แล้วใช่ไหมเราก็ไปต่อยอดไปเลยสบายคุณไม่ต้องคิดว่าคุณโจรอะไรม า, มาคุณมีเงินใช้ก็เป็นใช้ได้แล้ว ดังนั้นเองอันนี้คือวิธีการปฏิบัติเหมือนกันเราก็สมมุติว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้ช้าเพราะแสดงบันครอบหลูกของเราไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ก่อต้นมาเราต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยเพราะนั้นเราอาจจะหวังให้ถึงจุดสูงสุดในชาตินี้ยังไม่ได้แต่เราได้สร้างต้นเอาไว้แล้วแต่ในชาติต่อไปเราก็ไปต่อยอดเอาเลยเไม่ต้องมาตั้งต้นแต่ถ้าเราไม่มีการตั้งต้นชาตินี้เนี่ยชาติต่อไปเราก็ต้อง ต่อยอดไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีคือได้เขาเรียกว่าบุญบารามีที่สร้างสมบารามีถ้ามีการสร้างบารามีอย่างอย่างพุทธเจ้าก็จะมาบรรลุทำได้ไม่รู้ที่สร้างบารามีวาเท่าไหร่ท่านก็มาต่อยอดเพ้อเดียวได้ละไอเราก็อาจจะสร้างสมบน า, านได้ถึงยังมานั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมอย่างสงมมติคนนุ่มรุ่นเนี้ยในประเทศไทยในกะี่ล้านกี่แสนคนนะใช่ไหมแต่ที่มานั่งนี่แค่2คนนี่ก็ถือว่า เราได้สร้างบุญบา ร, รมีมาแล้วนะนะนะถึงมานั่งตรงนี้ได้นะมิงั้นมานั่งตรงนี้ไม่ได้การนั้นก็อขอให้นำไปศึกษาพิจรารณาด้วยการจับความรู้ไปทุกเรื่องให้เป็นความรู้สึกตัวแล้วพอจับบ่อยเข้าแบบเข้าไปเความชำนาญของมันเองแต่ถ้าเราไม่เริ่มจับเนี่ยมันก็ไม่เกิดทักษาใช่ไหมเราทำแค่ครัง้งสองครัง้งสี่ห้าครัง้ง แต่ที่มันจะเกิดทักษะได้ทั้งแต่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสงครั้งเป็นต้นไปเนี่ยก็สั่งสมแต้มอยเ่ใวิเดี๋ยวก็ชํานาญของมันเองนะเพราะนั้นในช่วงวันนี้เราได้กุย่นแค่นี้ก็พอเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้เวลาหลับเวลานอนทำยังไงแม้แต่นอนก็ได้กรรมฐานถ้านอนเป็นใช่ไหมนอนในท่าไหยแต่แขงขวาหาใจค อ, อกลื่นๆยวๆเล่นเล่นย หนะลับก็เป็นผลพไยได้ไม่หลับก็เป็นผลพอยได้ถ้าไม่หลับก็ได้อนาปายาวหน่อถ้าหลับก็สบายหลับยังมีสติตื่นมาได้เวลาโปะเลยก็มาแลงเริ่มชุกขึ้นเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุไปกราบพระพรทธเจ้น